ในโอกาสที่คุณสุวรรณศรีกุเลชาปรารถนาที่จะให้มีการฟังธรรมปรารถนาที่จะมีการเจริญทานกุศลรงกับวันที่18เมษายนพุทธศักราช2554ชมรมพุทธคุณขออนุโมทนาในกุศลทั้งปวง ทีคุณสุวรรณศรีกุเลชาได้เจริญตั้งมั่นมาอย่างยาวนานในพุทธศาสนานี้พร้อมกับครอบครัวของท่านเพื่อเป็นการเจริญกุศลร่วมกันชมรมพุทธคุณจึงของน้อมนำซีดีอันทรงคุณค่าบรรยายทำโดยท่านพระอาจารย์สมทบปารากกมู ข, ขอมอบให้ เพื่อเป็นธรรมะปัญนาการแด่ทุกท่านค่ะ